นี่คือรายการเปิดทำที่ถูกปิดทางพิอธรรมะคอมเป็นภาคออนไลน์ด้วยอธมาพระไพบูรณ์ทุกๆสัปดาห์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับกับผมธนแพทย์ณัฐพงศ์กันออกวิรุณครับเป็นผู้ร่วมดําเนินรายการพอดแคสต์นะครับตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วหมอณัฐพงศ์ตอน น, น, น, อ น, นี้ขึ้นตอนที่32มสิบตอนที่32แล้วทุกสัปดาห์เรามาไม่เคยขาดครับก็ เริ่มเนื้อหาเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราอัดแน่นมากเ<ะ>นื่องจากว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านก็มีคอมเมนต์ฟีดแบ็กก็มาในทางรายการพักออนไลน์อยู่หลายๆอย่าง<ะ>ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตอบคำถามก็มีคำถามของคุณใครบ้างละ่ะจริงๆวันนี้มีของคุณกหนบรัฐมีของคุณคุณนัทนะครับแล้วก็มีคุณชราว ด, ดี อาจารย์บดีครับทีนี้มีมีเนื้อเนื้อความที่พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ในครั้งที่แล้วว่าต้องการจะพูดถึงเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอุปทานนะครับทําไมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าไอปัญหาทั้งหมดที่เราเจอกันอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยนะมันมีเหตุเหตุของมันคือเจ้าตัวนี้แหละคือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนี่คือเหตุของความทุกข์ คือคือเหตุของความทุกข์คือตัณหาใช่ไหมที่พระุทธเจ้าบอกแล้วตัณหาเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดอุปท า, านอุปทานอนะ่าอุปทานนี่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันก้าวลงไปเกิดมันไปก้าวลงไปสู่ปัญหาอุปทานเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์นะมอรัตพงศ์อุปทานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เมื่ออุปทานไปติด ก, กับอะไรอันนั้นจะเป็นปัญหาของเราทันทีเดี๋ยวมันไปติด ก, กับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเครื่องนี้ด้วยนะเครื่ อ, องอื่นไม่เป็นเครื่องนี้ตกเมื่อไหรา่โอ้โหมันจี๊ดทันที แต่โทรศัพท์มือถือคนอื่นตกสมน้ำหน้าหัดสมน้ำหน้ามันด้วยสามเพราะฉะนั้นอุปทานเนี่ยมันไปติดกับอะไรเนี่ยมันเป็นทุกกันหมดเหมือนอย่างความสงสัยอย่างเงี้ยความสงสัยเนี่ยอย่างคนที่สงสัยกี่สงสัยเนี่ยนะเดี๋ยวนี่ก็สงสัยอันนั้นก็สงสัยเนี่ยคือตอบกันตอบกันตอบกันไม่มีทางสิ้นสุดเลยเพราะว่าความสงสัยนี่มันไปติดกับอะไรมันสงสัยไปหมดเดี๋ยวมันก็ไปสงสัยขวดน้ํา เดี๋ยมันก็ไปสงสัยบอร์ดสงสัยนาฬิกาสงสัยคอมพิวเตอร์สงสัยไปหมดนะเราอาตอบเรื่องบอร์ดไปแล้วตอบเรื่องนาฬิกาไปแล้วตอบเรื่องกวดน้าไปแล้วมันยังไปสงสัยหนังสือต่ออีกอลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขีย่ยความสงสัยออกนะเขีย่ยตรงความสงสัยคือต้องอมถ้าจะมีภาพวาดก็จะให้ดูได้ว่าความสงสัยก็ก้อนหนึ่งก้อนก้อนนี้มันไปติดกับอะไรตรงนั้นจะเป็นปัญหากองเราตรงนั้นจะทําให้เราสงสัยทันที คือ <c oughs> สมมติว่าจิตเราอยู่ด้านขวาใช่ไหมไอตัวสงสัยอยู่ตรงกลางนะสิ่งอื่นๆอยู่ด้านซ้ายนะระหว่างจิตของเราเนี่ยถ้าผ่านความสงสัยไปโดนอะไรสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเขี่ย ก, ก้อนตรงกลางนี้ออกพลุ่มเนี่ยทุกอย่างก็ล้มหมดเลยนะจิตของเราก็จะไม่มีความสงสัยสบายใช่ไหมหหเหมือนการอุบปบัทานก็เป็นก้อนก้อนหนึ่งตรงกลางตรงนี้แนะมันไปติดกับอะไรสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ของเรารรถ้าเราเขี่ยความยึดถือตรงนี้ออก ทุกสิ่งไม่ทุกหมดที่เนี่ยความยึดที่มันอยู่ตรงการในอุปทานเนี่ ย, ยมันติดแน่นกับจิตของเราครับอืมมันติดแน่นกับจิตของเรามันก็เลยทําให้มันไปไหนเราก็ไปด้วยอืมอย่างสมมุติบางคนบอกว่าโอ๊ยบริษัทนี้ไม่ดีเลยยา้ายงานดีกว่านะอันนี้ก็แย่นั่นก็แย่หัวหน้าก็ไม่ดีเพื่อนุ่งงานก็โว้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยไปอีกบริษัทหนึ่งใช่ไหมถ้าปัญหาอยู่ที่คุณนะไปบริษัทนั้นก็เจอปัญหาเดีวยวกัน ม, มีอีกอ่าเพราะว่า อุปทานมันตามเราไปหมดครับไปที่ทํางานใหม่โรงเรียนใหม่เพื่อนใหม่นะที่ไหนใหม่ๆม่มันตามเราไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณออกจากบริษัทนี้นะบริษัทนี้เขาปรากฏว่าปัญหาของลดลงเพราะเราเป็นเจ้าของปัญหาเนี่ยเราไปอยู่บริษัทใหม่เรากลายเป็นปัญหาของบริษัทใหม่อย่างยีป็นต้นออือเพราะมันตามเราไปได้มันตามเราไปตลอดครับถามว่าเอ้ยฉันไม่ปฏิบัติทําที่นี่หรอกเอ้ยวัดนี้ไม่ดีนะคุณไปวัดอื่นเหมือนกัน เพราะว่าปัญหามันไปกับคุณใช่ไหมปัญหาอยู่ที่จิตของคนคนนั้นคนนี้ไม่ดีไปคบคนอื่นดีกว่าปัญหาก็ตามคุณไปด้วยเพราะมันอยู่ที่จิตของคุณพระเจ้าจึงให้แก้ที่ตัวเองเอาอุปทานตรงนี้ออกเอาตันหาออกแต่มันเหนียวนะตันหานี่มันเหนียวมันดึงยืดออกยากมันยืดมันเหนียวมันเนืดมันผูกไว้หลวมแก้ก็ยากนี่คือลักษณะของตันหาอุปทาน ผูกหลวมด้วยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผูกแน่นใช่ไหมครับผูก ล, กลมๆใช่เพราะาถ้าผูกแน่นเนี่ยมันจะรู้ว่าต้นตอมันอยู่ตรงไหนอต้องผูกไว้หลวมๆผูกไว้ลมๆนี่คืออะไรเราเนี่ยถูกขังอยู่หมอท่านผู้มถูกผูกไว้ไม่มีใครออกจากหกอย่างนี้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวอายตนะนี่ใช่ะะเราถูกล็อกไว้อยู่ในนี้ไงแล้วก็ยังมีความคิดว้าเดี๋ยวฉันไปทางตาก็ได้ฉันไปทางหูก็ได้แต่คุณหลุดออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยนี่เป็นเหยื่อของมารเป็นกับดักที่มารวางเอาไว้ มันไม่เอาเราทางตา่างมันก็เอาทางหูนะไม่เอาทางหูไม่เอาทางจมูกลิ้นกยหรือใจสักทางใดทางหนึ่งมันจะเอาเรอยได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีสติถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะหลุดออกจากก็เรียกว่าบ่วงของมานได้บ่วงของมารครับทีนี้ที่ผูกไว้หลวมๆเนี่ยหมายความว่าถ้าผูกแน่นเนี่ยเราจ ะ, จะรู้ตัวใช่ไหมครับใช่เราจะรู้ต้นตอครับเราจะรู้ต้นตอว่ามันอยู่ตรงไหน ที่เราไม่รู้ต้นตอนว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะม um ันผูกล้มหลวมแล้วมันยังมีอวิชามาบังด้วยนะอวิชาเนี่ยมาบังไม่ให้เราว่าเห็นว่าตถหามาอยู่ตรงไหนเราก็จะไม่ทราบที่มีคํากล่าวว่ามีอวิชาาเป็นเครื่องกั้นปัญหาเป็นเครื่องผูกใช่ไหมครับถูกต้องมีอวิชาาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเ <anks. S 2> บื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏนี่คืออะไรสังสารวัอืต <viscos> นะความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาตินี่แหละคือสังสารวัตร เพราะฉะนั้นเราถูกปูกเอาไว้นะแล้วก็ถูกบังเอาไว้ด้วยไม่ให้เห็นสิ่งที่นอกเหนือจากอายตนะหถูกปูกเอาไว้ด้วยตันหาเพราะฉะนั้นตันหาอุปทานเนี่ยมันก็มาด้วยกันครับนะแล้วถามว่าไอ้จิตของเราทำไมมันไปติดกับอุปทานได้มันไปติดกับไอ้เจ้าความสงสัยได้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะที่มันติดกันอยู่ได้เนี่ยระหว่างจิตจิตของเราสมมติอยู่ทางขวาใช่ไหมอุปทานเราอยู่ตรงกลางเนี่ยไอ้ด้านขวากับด้านกลางเนี่ยมันติดหนึบเลยด้วยอํานาจของตันหา แล้วไอ้ตรงนี้ที่มันติดกันอยู่เนี่ยเราจะไปแกะออกเราก็มองไม่เห็นเพราะมันถูกปังอยู่ด้วยอวิชาครับอภิชากันอยู่ใช่อัลมาต้องการจะยกตัวอย่างของเออย่างเช่นว่าฤาษีอย่างเงี้ยนะครับเอฤาษีที่อยู่ตั้งแต่มาสมัยพุทธกาลหรือว่าในบัดนี้ก็อาจจะมีอยู่ที่ว่าอออกจากไม่เกี่ยวข้องคนอื่นนั่งอยู่ตามปา่าทําสมาธิอยู่คนเดียวแต่ยังไม่บรรลุเป็นบาะอารานเนี่ยนะอัลมาคิดว่าพวกนี้เขายังดีมากเลยนะ ดีตรงที่ว่าเขาก็ยังดีกว่าพวกที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังดีกว่าคนที่ยังเสพการอยู่เป็นปกตมมเิเที่ยวสามเณรเทเมาผิดศีลแล้วก็พูดไม่ดีอะไรต่างๆนะยังดีกว่าพวกนี้เพราะว่าอย่างน้อยพวกฤาษีเนี่ยเขาก็ายังละได้แต่เขายังมีความยึดถือในสมาธิของเขาอย่างสมมุติว่าอย่างสมมติอาตมาเป็นฤาษีอย่างเงี้ยนะสมมุตินะนะเราก็ออกเรือนจากออกจากเรือนแล้วละเราไม่ยุ่งกับชาวบ้านดีกว่าเราไปอยู่ป่าไว้หนวดเครายาวห่ม เขเรียกว่าอะไรหนังสืออย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิไปเออฉันหาสิ่งที่ดีกว่านี้ดีกว่าไปพบความสุขในภายในหมอตะพงไปพบความสุขที่เกิดจากสมาธิโอ้นี่แหละของฉันน่อไปยึดถืด้วยความเป็นตัวตนมันจึงหลุดไม่ได้คใช่ไหมทีนี้พอมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโปรงก็บอกนั้นๆไม่ใช่ของเธอนะที่เธอเห็นสุขสงบสงบเนี่ยยังมีเหนือกว่าอีกวาง <ใ>ปล่อลยวางซะอไปเจออีกอันนี้ก็ยังไม่ใช่วางวางลึกลงไปเรื่อยเรื่อยลึกลงไปเรื่อยเรื่ยเราจะพบกับจิตเดิมของเรารจิตมระพัฒสอนใช่ไหมและนี้มันอะไรก็ไม่ใช่ของเธออีกว่างก็ตู้มเลยใช่ไหมเราก็จะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้อย่างจริงๆอิงนะปล่อยวางคลกําหนัดได้ทั้งนี้อย่างกรณีของฤุสี่ก็เพราะด้วยความแม่นของความยึด ยึดในสิ่งที่ยึดในสิ่งที่อย่างน้อยก็ยังมีโทษน้อยแล้วก็ยิ่งดีกว่าถ้าเราไปยึดสิ่งที่มีโทษมากเนาะครับใช่ครับยรอย่างเช่นกาอย่างี้มีโทษมากถ้าเราไปยึดถือกาเนี่ยก็ยิ่งมีอันตรายสูงกว่าครับยึดถือสมาธิสมาธิความสงบจากสมาธิจริงๆความสงบจากสมาธิเนี่ยอพระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าเบอกบอกว่าเป็นสุขที่ควรเสพใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่เป็นสุขที่คุณเสพคุณทําให้ว่าคุณทําให้เจริญนะคือความสุขที่เกิดจากในภายในครับทีนี้ว่าไอคําพูดอย่างที่เราพูดอ่าอย่างเช่นว่าสมาธิสมาธิเนี่ยนะคือจริงๆถ้าเรามาดูความหมายของคําว่าสมาธิเนี่ยนะมันหมายถึงสมถาวิปัสสนาไปด้วยด้วยกันนะอืมเคียงคู่กันเลยนะใช่คือสมถะเนี่ยคือสมาธิเนี่ยไม่ใช่สมถะเท่านั้นอืเข้าใจไหม สมาธิเนี่ยหมายถึงการทําจิตให้เป็นหนึ่งพรุทธเจ้าบอกว่ากะถ้าสมมุติเราคิดการงานอยู่หมอัตอร์ส์เราคิดงานเราอยู่อย่างเงี้ยคิดถึงลูกค้าวันนี้ต้องไปทําอะไรอย่างงี้ต้องทํำ น, นี้ต่อเนี่ยสิ่งนี้เที่มันมันแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นะนั่นแหละคุณอยู่ในสมาธิใช่ไหมอย่างพระุทธเจ้าพูดตรัสไว้ชัดเจนอันนี้เป็นพุทธพจนะว่าอ่ะสมาสติจนถึงสมาสติเนี่ยเจ็อย่างนี่นะถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่ อันนั้นคือสัมมาสมาธิาาใช่ oh, mm hmm. แล้วสมาสมามาธิคืออะไรชาตหนึ่งสองสามสี่เอามันก็เป็นนัยยะเดียวกันนะสิครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดงาน ค, คุณอยู่รอบตัวคิดแก้ปัญหาหน้าที่การงานเวล า, าคิดปัญหาในโรงเรียนในห้องสอบเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นหนึ่งนะคิดแก้ปัญหาเหล่านั้นอยู่นั่นแหละจิตคุณเป็นสมาธิ mm hmm. อแล้วการทำสมาธิมันอันนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมา นั่งหลับตายิ้มอยู่คนเดียวมันไม่ใช่แล้วนีมันบ้าครับประเด็นก็คือว่าเราจิตเราต้องเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเป็นหนึ่งครับใช่ใช้คำนี้จะเหมาะส ม, มนะครับเป็นหนึ่งอยู่ตลอดก็ ค, <ว>คืออาจจะทำงานหรืออย่างอยู่กับกิจวัตรใจกิจวัตรหนึ่งใช่<ว>ช<ว>ครับเป็นหนึ่งเดียวใช่ซึ่งอย่างสมมติเราทำงานบ้านอยู่ในที่ทำงานคุยกับคนอื่นแสดงทำปาฏิา ผู้นที่หน้าชุมชนอย่างเงี้ยทำได้หมดจิตเราต้องเป็นหนึ่งหมดเราถึงจะจะทำได้อย่างดีแล้วอย่างตัวอุปทานเนี่ยมันมีโทษมากอย่างนี้ควรจะทํำยังไงครับควรจะละควรจะวางอย่างไรครับกันอุปทานตัณหาเป็นธรรมที่ควรละครับเป็นสิ่งที่ควรละคือไม่เอามันไว้อย่าไปสนใจมันต้องกว้างทิ้งไม่เอาทีนี้จะละตัณหาเนี่ยมันละไม่ได้ไง คือมันไปปล่อยมันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะต้องรับด้วยตามระบบของเรียมรรคมีอง8คุณต้องสร้างเหตุให้ถูกนั่นคือทำตามมรรค8ครับ <ๆ S 1> อ๋อก็คือที่เราเคยพูดกันไว้ว่าสัมมาทั้ง8องค์นะครับใช่ใช่เจริญขึ้นนะครับซึ่งการเจริญองค์มรรคองใดองค์หนึ่งมรรคองอื่นๆก็จะถูกเจริญขึ้นพร้อมกันใช่ไหมครับ อ, อันนี้มาไปมาพิจารณาใครควรกันดูอีกทีหนึ่งนี่นะ อย่างสมมติว่าเอาอย่างแค่สัมมาวาจาเอาอทำที่ติดตามแวดล้อมสัมมาวาจามาเนี่ยมีสามอย่างใช่ไหมที่พุชา้าบอกคือสมาธิฐิสัมมาวายามะแล้วก็สมาสติสติสตทีนี้เราก็มีสัมมาวาจาใช่มหมสี่อย่างส่วนสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยไม่ได้มาด้วยนันแล้วก็สัมมาสมาธิก็ไม่มีทีนี้ว่าถ้าสมมุติเราทำสัมมากรรมตะ แล้วก็สัมามาอชีวะแล้วก็สัมมาวาจาด้วยเนี่ยแล้วเราทำไปทำไปเนี่ยแต่จิตเราไม่เป็นหนึ่งมันก็ไม่มีสมาธินะใช่ไหมเพราะเราก็ต้องบอกว่ า, าถ้าเราปฏิบัติโดยที่ให้จิตของเราเป็นหนึ่งอันนี้พูดถูกว่าจะทำให้อริยามารรคทั้งแปดเนี่ยมันมาด้วยกันอเรื่องของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่กับขันธ์ตั้งห้าเท่านั้น ครับอ่ามันไม่มีในที่อื่นนอกจากขันห้าแล้วก็ขันห้าที่ไม่มีอุปาทานเนี่ยก็ไม่ถือไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นอะไรนะอะไรเพราะฉะนั้นขันห้าที่ถ้าพูดถึงกันห้า 5, ก็คือต้องมีอุปทานนั่นแหละครับก็คือยึดยึ ด, ยดในขันห้านั่นแหละเ<บ>ว <น S 1> ียน <N> ใ, ใช่ไหมครับความยึดถือเนี่ยบางคนไปใช้ผิดกับคําว่าเป็นที่พึ่งด้วยในประเด็นนี้ต้องการจะพูดนิดหนึ่งด้วยที่พึ่งที่ ที่เป็นคําว่าสารณะนี่ใช่ใช่ใช่กว่าเอาคุณต้องยึดพู้เช้านะคุณต้องยึดศีล น, นะไม่ได้เลยถ้าเรายึดนะอันนั้นจะเป็นทุกของเราทันทีอ๋อถ้าเรายึดบอกว่าศีลฉันยึดศีลแล้วถ้าเราอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูซิไอหมอนี่มันทําปิดสีละใครเป็นทนทุกข์คนอ่านนะคนอ่านทุกข์ครับอ่าเพราะว่าอะไรคุณไปยึดกับศีลไงใช่ครับ่าศีลัะพัตุปาทานออืมศีลละพัตุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในศีลและระ อย่างโซดาบันอย่างเงี้ยยังมีศีลพัตุประทานไหมมีมแต่ละศีลพัตตปประมาทได้เข้าใจเนาะหมายความว่ายังมีความยึดถือในสิ่งของตนในข้อนการปฏิบัติของตนอาจจะมีความคิดด้วยซ้ําว่าฉันดีกว่าเธอฉันแน่อ่านี่คือมีความยึดถือแต่ว่าเขาละศีลพัตะประมาทได้นะัคือการปฏิบัติแบบผิดผิดรูปแบบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเขาละได้อย่างน้อยเขายังยนเดินอยู่ในมรรคแต่อาจจะยังไม่เต็มที่อย่างเงี้ยนะ เรื่องอุปทานเนี like so right. êtes, ่ยมันไปยึดถือในได้ทุกสิ่งสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปมาธรรมถ้าพูดง่ายๆคือขันตั้งห้ามันยึดได้หมดอย่างที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการบ้านการเมืองกันมีแบ่งสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวเขาไม่มีใช่ไหมสีเหลืองสีแดงเออๆนั่นแหละก็เพราะว่าความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนครัเขาเรียกว่า like ทิฏฐ so ุท <breeding> <proposals> ิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในที่ถิ่นอ่าครับแล้วก็เรื่องความยึดมั่นนี่จะมีความยึดมั่นในตัวเองด้วยนะว่าตัวนี้ของตัวฉันนะอย่างเพิ่งมีการหลีกเลนปฏิบัติเพิ่งเสร็จสิ้นไปที่วัดป่าลอนไหนศกใช่ไมพยาบาลคนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลจุฬาอืมครับก็เธอก็มานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ยึดว่าอันนี้ขาของฉันนะถ้าบอกว่ามันนั่งไปชาเนี่ยมัน มีปัญหาเรื่องระบบเลือดหลอดเลือดแล้วมันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขานั่งไปสักสองรอบเนี่ยนะ <Okay. S 1> เขาก็วุ้ยไม่สนใจแล้วกันมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันปล่อยวางปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เขาปล่อยวางตรงนี้ได้นะพอครบชั่วโมงเนี่ยเขาก็สงสัยตัวเองมากเลยงงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาลุกขึ้นไปเดินปลอได้โดยที่ไม่มีอาการชา oh. ทาั้งที่เวลาเวลามันปวดมันเจ็บอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยวางไปเลย เ, เราไม่สนใจมันเนี่ย มันจะจบด้วยอาการชาอย่างลุกเดินไม่ได้เอ้ยทนี้ทําไมมันถึงเป็นไปได้ใช่ไหมเรื่องทางกายภาพบางทีมาธิบายยากอันนี้จะเข้ากับว่าเหมือนกับว่าสมาธิมีอํานาจเหนือจิตมีอานาจเหนือกายอย่างนี้ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่คือมันไม่เป็นเลื่อนมันเลื่อนมันไปมันไม่ไปทางนี้มันก็ไปทางอื่นได้นะใช่ก็คงมีทางไปได้หลายทางออเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อธิบายกัน ในทางจิตว่าคุณปล่อยวางได้นะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตน อ, อีกอุปมาอุปไมยหนึ่งที่พระพทเจ้าเคยพูดเอาไว้ก็คือเหมือนขนไก่ขนไก่เนี่ยเวลาเราเผาไฟเนี่ยมันจะม้วนเข้าอย่างเดียวม้วนเข้าจิตที่ยังมีอุปทานเนี่ยเวลามันโดนอะไรมันยึดทันทีลักษณะนี้แต่ถ้าเราพลิกออกอีกด้านหนึ่งอย่างมืออย่างเงี้ยนะ ถ้าถ้าใครฟังอยู่ก็ดองดูมือตัวเองมือเราเนี่ยมันกำไปด้านนอกไม่ได้มันกำเข้ามาได้อย่างในเดี๋ยวคือด้านฝ่ามือ<น>มันจะกำไปด้านหลังมือเนี่ยมันไม่มีทางได้เลยออนี่คือจิตของคนธรรมดาที่คุณจะต้องกำมาในฝ่ามือเท่านั้นนี่คือความยึดมันจะยึดเฉพาะขันห้าเท่านั้นใครทิ้งขันห้าได้นะมันคือเหมือนจะคุณไปอยู่ด้านหลังมือละออืมไม่ถูกกำไม่ถูกยึดใช่ไม่ถูกกำไม่ถูกยึดได้ แบบนั้นนี้เพราะฉะนั้นความยึดถือเราต้องวางอย่าไปยึดพระพุทธเจ้ายึดได้ไหมไม่ได้พระธรรมยึดได้ไหมไม่ได้ครูบาอาจารย์ยึดได้ไหมเป็นทุกทันทีเราทํำยังไงให้เอาเป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาคือตรงเรื่องของอริยะเอาพระพุทธพรธรรมพระรสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาต้องพูดอย่างนี้นะคือพึ่งแล้วแล้วยังไงพึ่งขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้สวยขอให้หล่ออันนี้ คุณขอเอาอย่างเดียวใช่ไหมแต่พู้รู้จ่าพูดไปชัดเจนนะว่าเอาเพราะพูดพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจด้วยปัญญาชัดเจนว่าอย่างนั้นเพราะประเด็นมันคือตรงที่คุณจะต้องเห็นอริยสัจดก็คือเห็นการเกิดการดับใช่ไหมครับใช่แบ่งเป็นสองส่วนคือเห็นเหตุผลเกิดดับนะต้นสายปลายเหตุของเขาความความยึดถืออีกอย่างหนึ่ง เรื่องของความยึดถือเนี่ย<ะ>ก็ยังมีความยึดถือในกามนะว่ายังต้องการที่จะเสพกามอยู่นะซึ่งกามเนี่ยมีโทษมากมีทุกมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยกับหมาแทะกระดูกเปรียบด้วยกับเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยกับผลไม้บ น, นต้นนะคือคืออย่างเช่นหมาแทะกระดูกนะคุณมารัตพงก็เเปรียบเทียบกับเหมือนกับคนข้ า, ขา เขาเรียกว่าคนขายหมูอะ่ะเขาจะมีอาตมาตอนสมัยเป็นเด็กครั้งหนึ่งเคยไปร้านขายเนื้อคนขายเนี่ยก็เป็นชาวอิสลามแต่ก็ขายเฉพาะเนื้อนะเขามี ค, ความเชี่ยวชาญในการใช้มีดของเขามากสามารถแล่เ น, เนื้อเนี่ยโดยที่โดยที่กระดูกเนี่ยนะไม่มีแม้ทั่งเยื่อของเนื้ออ่อนติดอยู่เลย<ม>แค่เปื้อนคราบเลือดนิดๆหน่อยๆเท่านั้น<ม>แล้วเขาก็โยนให้หมาตัวหนึ่งกิน หมาเ <c oughs> น, นี่ยพอมันก็กระโดดงับเลยนะหมาละพงดีใจมากหมา <c oughs> หิวโซห <c oughs> มา <c oughs> หิวโซอันนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเจ้าด้วยนะ <c oughs> พระเจ้าบอกว่าหมา <c oughs> หิวโซเนี่ยไปถึงที่เขียงเขียงหมูวันหนึ่งก็เห็นเขาแล่เนื้ออย่างดีเนี่ยน้ำลายก็หยดติงต้งติงต้งติ้งติ้งเลยพอเขาโยกกระดูกให้ก้อนหนึ่งนะซึ่งมีแค่คราบเลือดเปื้อนอยู่นิดหน่อยเท่านั้นถามว่าหมาเนี่ยมันจะสามารถบรรเทาความหิวของมันได้ไหมไม่ครับ <c oughs> ไม่มีทางเลยกินน้ำลายตัวเองเท่านั้นเอง ใช่ครับนี่คือทุกโทษของกรรมหรือว่าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกลูกมาครับนะคนที่มีปัญญาเขาขึ้นไปเก็บลูกมันต้นคนที่ไม่มีปัญญาเขาก็จะโค่น <ลอ S 1> มัน ล, มลม้มโค่นมันล้มเลยอ๋อ่โค่นล้มเลยเพราะนั้นมันก็มีปัญหานะคือผลมะม่วงออกมาเพื่อค่าต้นมะม่วงอย่างเงี้ยคุยไผ่ออกมาเพื่อค่าต้นไผ่อหรือว่า ปลีกล้วยออกมาเพื่อค่าต้นกล้วยลักษณะนี้อุปทานมันก็จะทําให้เรามีปัญหาอออืครับแล้วก็เรื่องของความยึดถือกับเรื่องของความเป็นที่พึ่งนะก็ต้องชี้แจงอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราไปยึดถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าจะไม่ใช่คําว่ายึดยึดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอามาเป็นของเราใช่ครับอาาเป็นของเราเป็นของเราครับ แต่ว่าถ้าเราพึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ามีเสาต้นหนึ่งใหญ่ๆอยู่เนี่ยเราไปพิงให้เราสบายใจอย่างเงี้ยนะได้แต่ถ้าคุณมีเสาอ ย, อยู่คุณจะเอามาเป็นของเราเอามาไว้บ้านเราเนี่ยอาคารหลังนั้นก็จะพังใช่ไหมอ่า <Simon. S 2> เราก็จะมีความมีความทุกข์มีปัญหาเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้คุณเอามายึดไม่ได้คุณเอามาไว้ในที่บ้านนีไม่ได้เอามาเสามาไว้ที่บ้านแต่ให้เป็นเสาที่เราจะไปพึ่งพิงได้ลักษณะนี้ นึกผมนึกถึงพระสูตรอันหนึ่งที่บอกว่าการที่เราจะข้ามข้ามฝั่งข้ามฝั่งน้ําแม่น้ําเนี่ยครับเราลงเรือหรือลงแพไปนะครับแล้วก็เรือนั้นก็พาเราข้ามฝั่งไปเราก็กระโดดขึ้นฝั่งไปแต่เราไม่ได้ยกเอาแพขึ้นมาบนฝั่งเพื่อที่จะแบกแพไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องธรรมะที่เราแสดงนี้ก็ไม่ได้เพื่อความยึดถือครับแต่ให้เพื่อความสลัดออกปล่อยวางจะกล่าวไปย้ะถึงสิ่งที่ไม่ใช่ทํา ครับครับใช่ครับก็ตรงกันอืม่อนี้เป็นจุดเด่นของคำกล่าวของพระพุทธเจ้านะครับว่าจะสอดรับกันอ่าอย่างไม่มีที่ที่ขัดแย้งไม่ได้ครับอืมคะเอ่าทนี้คิดว่าเรื่องของอุปทานก็อธิบายมาพอสมควรครับอุปทานีนี้มีคำถามจากอ่าที่ว่าจะเอาของคุณอชราวดีมาพูดนิดหนึ่งก่อนครับ ที่คุณอัจชระวดีขอมาว่าต้องการจะให้อธิบายแจกแจงเรื่องของอานาปานสติสูตรคิดว่าเราจะพูดในตอนหน้าดีกว่าเอพิโซดที่สามสิบสามอพที่3 3มจะอธิบายเรื่องของอานาปนสติอย่างละเอียดเลยครับโดยเอาพุทธวจนะเนี่ยมาอธิบายด้วยล่ะเนาะคิดว่าให้คุณอัชระวดีเราฟังเป็นสักถึงตอนหน้าแล้วกันได้ครับเพราะาจะมีมีพระสูตรเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับอานาปนสติเนี่ย เราเคยพูดกันไปหนึ่ ง, งครั้งเลยสำหรับอนาปาณสติแต่ว่าจริงๆก็ยกมาอีกกน็น่าจะดีก็คือเป็นแง่มุมที่ละเอียดมากขึ้นนะ่ะใช่ครับแล้วก็ต้องอนุโมทนากับคุณอัชรพดีด้วยที่ได้ฟังพิวีธรรมออนไลน์แล้วก็เห็นประโยชน์เนาะใช่ครับแล้วก็มีชักชวนคือแบ่งปันให้คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ชอบที่จะฟังแล้วก็มีการเรียกว่าสืบค้นต่อ ว่าจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติซึ่งอันนี้เชื่อมโยงว่าเป็นเป็นการตอบแทนพระคุณที่ที่เรียกว่าได้ผลมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ใช่ในช่วงการหลีกเล่นที่ผ่านมาในช่วงวันแม่พอดีที่วัปดป่าอั น, นโศกอ่ะครับก็ได้เอาพระสวดเรื่องของมันดาบิดาคุณมันดาบิดามาพ่วงให้ผู้หลีกเล่นได้ทราบด้วยแล้วก็มีบทที่ได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นการขอเข้ามา มันดาด้วยเหมือนกันคิดว่าในตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังได้ตอนหน้าเราเขาเรียกว่าให้ข้อมูลไปเลยว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอนาปนสติพุทโธเรื่องพระคุณแม่นิดหนึ่งสามอย่างนี้ในตอนหน้าก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็คุณธรรมชวีก็รอฟังแล้วกันทีนี้มาคำถามของคุณนัทคำถามของคุณนัทนัทกุศลฟงวานิช ถรรมาเกี่ยวกับเรื่องของต้องการจะสักฆฉก็ยินดีมากเลยใครที่จะมาร่วมสักฆฉในธรรมะต่างๆนะเป็นการคุยธรรมะกันก็จะสามารถทำให้เปิดธรรมที่ถูกปิดขึ้นมาได้คุณนัทกุศลพงวา น, นิธมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าแข่งดีงดซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของสันเลขขาธรรมคือธรรมเครื่องขุดกราวใช่ไหมี่บอกว่าเอคุณอื่นแข่งดีเราจะไม่แข่งดี แล้วก็ทํากันบ้านมาด้วยนะคุณนัทเนี่ยไปสืบค้นใช่ไหมมาสู่ครับอ่าสืบค้นประสูตรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการแข่งดีก็ไปพบเรื่องของอุปกิเลสสิอุปกิเลสสิแม่ดีมากๆเลยพออาตมาเห็นเรื่องอุปกิเลส16บหกนะอ๋อทันทีว่ามันสอดคล้องกันจริงๆเราจะเห็นว่าอุปกิเลสสิเนี่ยคืออะไรอ่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็ได้มีความละโมบเพ่งเล็งปองร้ายปลูกโกรธ ลบดูคุณท่านยกตนเทียบเท่าท่านหัวดือ้อนะมีมายาตรหนีมีมานะดูหมิ่งคุณท่านมัวเมาเลนเล้อ แ, แล้วก็มีอันหนึ่งคือคําว่าแข่งดีครับแข่งดีก็เลยต้องการทราบว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราบอกว่าเราจะแข่งกับตัวเองอะอเช่นว่าเดือนที่แล้วฉันนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีเอาเดือนนี้เอามันสาสิบนาทีอย่างนี้เป็นการแข่งดีไหม อ้าวมันรัฐมนว่าไงจริงจริงๆแล้วก็น่าอืมันไม่เหมือนกับเป็นการพัฒนาตนเองมากกว่ า, าจริงๆแล้วผมว่าดีทีนี้ถามว่าแล้วเราจะพิจารณาตรงไหนเราดูที่พุทธวจนะนะดูอย่างเอาอุปกิเลศหกที่อาตมาอ๋อทันทีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกิเลศหกเนี่ยเราดูวับเดียวเนี่ยเราดูแล้วว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ครับอย่างยกตนขม่มท่านก็ต้องมีท่านนะปองร้ายเขาก็ต้องมีเขาโกรธก็ต้องมีคนอื่น ผู้กบก็ต้องมีคนนั้นใช่ไหมมีมายามีความตระหนี่ก็ต้องมีคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแข่งดีเนี่ยคือแข่งกับคนอื่นไหลไปตามกระแสไงไหลไปตามกระแสนี่คือลักษณะของปัญหานะแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องทวนกระแสใช่ไหมทวนกระแสเขาไหลไปตามโลกตามตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมธรรมะของพระเจ้าทวนกระแสเข้ามาในตัวเองอืเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ตัวตัวเองใช่ถ้าเรามาดูตัวเองใช่ไหมว่า เอ๊ะฉันพัฒนาขึ้นไหมอันนี้ถึงจะถูกเป็นการเขาเรียกว่าทวนกระแสเป็นความเพียร น, นที่ว่าเอามือกว ก, วกน้ำว่ายทวนกระแสน้ำเนี่ยการที่เอามือและเท้าพยายามว่ายทวนกระแสน้านั่นคือความเพียรเพราะในกรณีที่คุณนาถามมาบอกว่าเอ้าเดือนที่แล้วันนั่งได้ส5บห้าเดือนนี้เอา30สนาทีนะอันนี้เขาเรียกว่าถูกต้องผู้ที่ชนะตัวเองเนี่ยชื่อว่าผู้ที่ชนะสงครามอันใหญ่ อย่างกิเลสเราบอกว่าโอ้นอนต่อเถอะอย่าเลยนั่งสมาธิใช่ไับเราบอกว่าไม่ฉันจะนั่งสมาธิอันนี้ทวนกระแสมากๆดีมากทระแสของกิเลสนะครับอ่าเป็นคนมีความเพียรเยี่ยมเลยคนบอกว่าฉันนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆเลยนะจะตื่นที่มาออกกําลังกายว่าโอ้พวกนี้เราการแล้วพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงสักวันใช่ครับก็ยังเป็นพรุ่งนี้อยู่วันถึงค่ำใช่คุณแพ้แพ้ครับแพ้แล้ว จบเลยตามหลายตามกระแสออกไปตามข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายในกรณีนี้คือความนุ่มๆบนเตียงใช่ไหยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ดีและเป็นการมองประเด็นที่ถูกต้องคำถามต่อไปก็คือว่ามีพระสูตรพูดถึงเรื่องอุปกิณ์สิบกเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ฟังอยู่คือคนที่นามสกุลภายะแะท่านภายะเนี่ยก็ได้ขอปวารณา ก็คือแสดงความเป็นอุบาสกตลอดชีวิตถูกไหมครับเอราก็ถามว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเนี้ยคําว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตเนี่ยหมายความว่าได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือเปล่าอืครั บ, รบก็คือการที่ถึงเป็นสรณะเนี่ยคือถึงเป็นที่พึ่งถึงเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ ตีความได้ไหมล่ะ ว, ว่าคนนี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนั้นก็ตามถ้าพระพเจ้าอาจจะไม่พยากรณ์ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นั้นคือคนที่มีศรัทธาคือเขาเรียกว่ามีพระพุพะทธธรรมเป็นที่พึ่งใช่ไหมเราก็มีศีลสี่อย่างเนี่ยต้อขอไปมีความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลสี่อย่างนี้เป็นโสตาปฏีงค์สีอ่องค์คุณที่จะทําให้เป็นโสดาบัน แต่การที่มีเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ยังอาจจะยังไม่มีศรัทธาตั้งมัน่นถึงขนาด น, นั้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ทีนี้ตัวคำถามที่สองที่บอกว่าออที่บอกว่าความคาว่าเป็นอุบาสก พ, พูดถึงสาระตลอดชีวิตที่พัธิยะกล่าวกับพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมเรื่องแข่งดีหมายถึงดวงตาเห็นธรรหรือไม่อืมดวงตาเห็นทําก็หมายความว่าเป็นโสดาบันไงครับออืมส่วนข้อที่สามที่คุณณ้าถามจิตแข่งดีฟังธรรมหมายถึงอย่างไรอก็คือแข่งดีฟังธรรมแข่งดีนี่มันก็ไม่ดีนะแข่งกับคนอื่นถ้าฟังธรรมก็เป็นการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่ดี เพรนถ้าเราจะบอกว่าแข่งดีฟังธรรมน่าจะบอกว่าขวนขวายในการฟังธรรมะอืมใช่ครับแล้วก็หรือว่าเป็นผู้ที่เนื้อสดงบครับสังสมสุศึก่าสังสมสุกษาก็จะเป็นเรียกว่าการใช้คําที่เหมาะสมครับที่การสังสมสุกษาก็จะเป็นเหตุในของการเจริญานุปทานนสติกด้วยใช่ไหมครับถูกต้องคนที่มีเจริญสุตะสังสมสุตตาทรงสุตตาสังสมสุตะก็จะทําให้ มีการแทนตลอดซึ่งทำมันไม่กลับกันเริ่มได้ถ้าเธอเจริญอนาภานสติครับออสามคำถามของคุณนัาก็ตอบไปหมดแล้วครับแล้วถ้ามีถ้าท่านผู้ใดมีประเด็นอะไรต่างๆที่จะสืบค้นหรือว่าสอบถามเข้ามาก็ยินดีแเราก็จะคุยให้ฟังอีกคำถามหนึ่งมาจากคุณกนกรัฐเกย์จรแข่คุณกนกรัชนี่ก็เคยมาหรีกเล่นปฏิบัติที่วัดป่ารห่ยโฉนะอ๋อครับนขนครับ มีหนึ่งมีมีอยู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของขันทั้ง5้าใช่ครับต้องการจะให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณโออันนี้คิดว่าอธิบายแค่ตอนหนึ่งเลยล่ะในการทำงานขอขันแล้วก็เรื่องของนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้พูดเอาไว้อธิบายเรื่องนรกว่าเป็นยังไงมีสี่มุมสีประตูเป็นด้วยเหล็กมีไฟลุกโปร่งๆนะอย่างนี้แล้วก็สวรรค์ก็อธิบายไว้ เสร็จชั้น8ปชั้นก็คิดว่าทีมงานที่วัดป่าวัดนาประพงศ์ได้รวบรวมเรื่องของนรกสวรรค์อยู่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าในข้อมูลที่คุณกนกรัธิถามมาเนี่ยก็อาจจะเอามาคุยให้ฟังได้ในตอนต่อไปด้วยเป็นเป็นอีกตอนหนึ่งเลยนะครับเรื่องของวิญญาณแล้วก็นรกสวรรค์นะครับวิญญาณนี่ก็ตอนเดียวเลยแหละเต็มเตมเลยล่ะนรกสวรรค์นี่ก็อาจจะแทรกแทรกไปในสักตอนใดตอนหนึ่งได้คครรัับบ กเลยต้องขออนุญาตยกยอดไปใช่ไหมครับอ่าก็เพราะรายละเอียดมันเยอะครับอย่ามันเยอะคือตอบรีบรีบเดี๋ยวจะได้ความไม่ไม่ครบถ้วนใช่ครับใช่เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันบ่อยๆทําการสังคีติอยู่เรื่อยๆครับ อ, อมาคุยกันเรื่อยๆมาสอบถามกันเรื่อยๆจะทําให้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกมันก็ซ้ําๆยยำยำเข้าไปนะเหมือนการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่เป็นประจําำเมื่อย ใช่เมื่อกมาใ น, ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการหลีกเลนอยู่สองครั้งต่อกัน<อ>พักแค่ห้าวันแล้วมาพบว่าจิตของเราเนี่ยละเอียดลงมากขึ้นอนมีความดีมากขึ้นอ่ะดีมากขึ้น<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ทําให้เราเห็นประเด็นที่ว่าการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งของเราเนี่ยต้องเข้มงวดเสมออเข้มงวดสม่ำเสมอนี่พุทธวจนะนะค<อ>พุทธเจ้บอกว่าต้องเข้มงวดสม่ําเสมอ เพราะฉะนั้นคิดว่าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราจะต้องมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่เลิกล้านจากการหลีกเล้นเป็นผู้ที่วนขวายเจริญสมาธิภาวนาอยู่เรื่อยๆน้อยก็เอามาก็เอาอย่าไปทอ้อแท้ว่าวันนี้ฉันทาได้แค่นี้เองว่าเลิกดีกว่าแต่ถ้าคุณเลิกนะคุณหมดเลยนะน้อยก็เอาน้อยก็ทำมากก็ทาขอให้ทำถ้ามา ก, กน้อยก็เอาอย่างเงี้ยต้องขอโน้โมนนาแล้วก็เชิญชวนนะครับ เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ที่มีโอกาสนะครับหรือว่าพยายามหาโอกาสบางทีเราจะมองว่าเราไม่ไม่ว่างหรือว่าเราไม่มีโอกาสแต่ว่าต้องต้องคิดกลับใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเราต้องไขว่คว้าหาโอกาสให้ได้ใช่ไหมครับใช่น้อยก็น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยครับครั บ, ค, รบคุณกระนอรัตก็ทิ้งทิ้งท้ายมาว่าเในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับก็ได้ฟังรายการสัญญาณสนทนาที่พอาจารย์ ได้ตอบคำถามทางเอ็0เอ็มร้อยหกนะครับอ๋อฟังเนาะครับ <c oughs> คือพระอาจารย์ได้เล่าถึงธรรมะในพุทธประวัติและอริยสัจสีจากพระโอษใช่รับก็มีมีคนพูดถึงเยอะครับทั้งที่ ท, ที่บ้านคือคุ ณ, ค, ณคุณพ่อคุณแม่ก็พุ ท, พ ท, พทธคุปตะโอ์ได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าจะร้อยเรียงเรื่องราวมาทำให้แหม่ได้ต่อเนื่องจริงๆอันนี้ต้องอันนี้ต้องต้องให้เครดิตกับท่านพุทธทาส เพราะว่าท่านได้รวบรวมเรียบเรียงเรื่องพวกนี้มาทีนี้ว่าพอเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยอ๋อตรงนี้มันไปเกี่ยวกับตรงนั้นเราก็จะดึงมาได้ก็ก็จะรวบรวมมาให้มันละเียดคมชัดมากขึ้นเหมือนกันเถอะออะืมก็ดีแล้วที่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ควนขวายฟังธรรมะก็จะเป็นความเจริญแก่ท่านทั้งหลายในธรรมะวันนี้ก็คิดว่าเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนที่สามสิบสามได้ผูกเรื่อง เรื่องของอาณาปณสิสูตรื่องเรื่องของคำบริกรรมพุทโธนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของวิญญาณนรกสวรรค์ถ้าก็จะพยายามจัดต่อเนื่องกันไปนะ ค, ะครับใใช่แล้วก็มาพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนจเจนะริญพรครับครับสวัสดีครับ